ไม่เบื่อเนาะอ๋อดาไม่ได้เบื่อนะ <c oughs> แต่อัานสอนนำมาแนวในชีวิตกี่าเพราะบอกผมเท็รขวมจริงแต่ผู้คนถ้าไม่มีใครมาสุวโตนะกำลังวางแผนว่าอยู่ทางหนึ่งก็เข้าลงเยบาลหาเยี่ยมคนป่วย นับองว่าไ ม, ไม่หนูวัด ป, ปอบปอเพว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องก <c oughs> ารสอนให้นคนเกลดหลงเป็นลูกเกิดทุกข์เป็นลูกเกินโกรธเป็นลูกเนะ <c oughs> นี่ยมันเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดถ้าไม่บอกตรงนี้ถือว่า เป็นความขาดตัวปกป้องถ้าได้บอกแล้วถ้ามีใคยทุกข์ก็ไม่ใช่ความผิดของเราถ้ามีใครโกรธก็ถือว่าไม่มีความผิดของเราเช่นเราเคยพูดเรื่องสิ่งเรด่องมาสี่สิบปีเมื่อเกิดปัญหาโรคร้อนขึ้นอ๋อ <c oughs>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 ที่อยู่ที่นี่เยียดพยายามเปลี่ยนหลงให้เป็นลูกให้ได้เป็นอาชีพอะไรบนหลงให้มีความลู่ตัวตรงนั้นอย่าให้ห่างเหินถ้าจะเป็นมกผล น, ผนิพพานให้เป็นมกนุฎนิพพานเป็นชีวิตประจำวันตากคาสอนของที่เบต ว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมล <c oughs> ดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นนี่คือทิเบตเราสอนกันอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่เราสอนทยาพสูตร ว่าการทำพันิปานให้แจ้งมีคหามเห็นชอบอยู่โดยชอบเป็นมมกลใสูงสุดการับทำการทำพันิปานให้แจงการอยู่โดยชอบ เราสาทยายพะสูตรหถือว่าเป็นมงคลชีวิตเราควรจะไม่ให้ห่างไกลกับพระเนพานพระิพปานคือไม่เป็นอะไรผู้ใดมีจิตอันทุอีไม่กระทำในโลกกระทำครอบมั่ไม่ได้ <c oughs> เป็นจิตที่ไม่พ่ายแพ้เป็นจิตที่เป็นไม่มีทุติยครอบมังผู้นั้นถือว่าเป็นมงคลนั้นสูงสุดในโลกกระทำครอบมังไม่ได้คือสุขคือทุกครอบมังไม่ได้โลกกระทคือสุขคือทุกผู้ที่ไม่ผู้ที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกขถือว่าเป็นมงคล หรือว่าทำปฏิพานให้แจ้งปฏิปานก็คือเหนาสุขเหงาทุกข์ดังผู้เจ้าเข้าสู่ปฏิปานละสุขละทุกข์เสียได้มีสติแล้วแล้วอยู่ผู้เจ้าว่ปฏิปานที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเรื่องนี้ละสุขเหลอทุกข์เสียได้ะ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 ไม่มีคำว่าได้คำว่าเสียไม่ได้เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันไม่เห็นอยากเข้าไปเป็นนี่คืออยู่โดยชอบไม่ใช่อยู่สุโกโตไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวก็อยู่ตรงนี้อยู่กับหมูก็อยู่ตรงนี้นี่ว่าอยู่โดยชอบก็อยู่อย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ที่ไหนที่กำหนดว่าที่นี่สงบดีไม่ใช่มั้อยู่ดยโดยชอบคืออยู่ที่ไม่เป็นอะไรกับลาภอย่างนี้แล้วก็ทำได้ทุกคนไม่มีใครทำไม่ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้การทำอย่างนี้ไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้ โดยเจ้าสงสอนในสะิ่งที่เราทําได้ทุกคนจึงไหนทำไม่ได้ไม่ใช่คำสอนผู้เจ้าถ้าสอนนะั้นเพิ่งสอนเดื่นไม่ใช่คําสอนของผู้เจ้าโดยเจ้าสอนนะั้นเราเพึ่งตนวเองมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกเราเรี่ยล่าพึ่งตนเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยเราจะทําไม่มีใครช่วยกันได้ เราต้องรู้จักช่วยตัวเองขนสงตัวเองคอมหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆมาอยู่ที่เราทั้งนั้นปัญหาเป็นปัญญาของเราอาจจะเป็นปัญหาคนอื่นแต่เป็นปัญญาของเราอย่างนี้ เลยไม่มีอะไรทำทั้งวันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยโดยที่เราไม่มีหลังมันก็ยุ่งยากการงานยุ่งเหยิงสับสนไม่เป็นมงคลอาณากุลาจนะักรามบรรดาเนธัมมงคารบุตรัมะการงานไม่ยุ่งเหยิงสับสนอันนี้เป็นมคนนุคลในสูงสุดไม่มีอะไรยาก เห็นมันไม่มีอะไรง่ายเห็นแต่เห็นมันการเห็นไม่เป็นนี่ยมันสมบัเสมอมันเป็นธวราติของชีวิตสร้างขึ้นมาถ้าเป็นไปกับสิ่งต่างๆชีวิตที่ปกคลองพ้องอยู่ประนิ่ไม่ดูจักอิม่มนั่นเป็นโลกสมบัติของโลก ชีวิตเราคือไม่ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันอิม่มอิ่มอย่างนี้ระ้วว่าบุญคืออิม่มคือเต็มไม่บกพร่อ <c oughs> เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แล้วก็มีแบบในชีวิตเราถ้าเป็นชาติก็เป็นชาติที่สมบูรณ์ที่สุด ชีวิตเราเนี้เป็นมนุษย์เป็นจดประเสริฐเพื่อการนิรวยตรงไม่ใช่ไปทำอย่างองื่นมนุษย์ไปสูงสูงคนไปต่ำๆ่เช่นมันทุกมนุษย์เห็นมันทุกอันเป็นมนุษย์ถ้าคนเป็นผู้ทุก อันด้วว่าคนไปทางต่ำสุ ข, สขเป็นผู้สุ ข, สขไปทางต่ำเห็นมันสุ ข, สขไปสูงสูงมนุษย์มักจะไปสูงสูงแบบเนี้ยไม่ใช่ขาสองแขนสองเป็นมนุษย์เป็นลักษณะที่มีการกระทาที่บ่งบอกทั้งความมนุษย์มนุษย์นยี่คือผู้ใจสูง มือนหลวงยงทีดีที่เหวโขนน่าจิตใจมันต่าเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมานั่นถ้าคนเนี่ไปตกลุ ก, ลกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปสูนรกเท่ากับขนของโคมนมุษย์เห็นมันสุขมันทุกข์ไปตกนรกเท่ากับเขาโโห มีน้อยนิดเดียวเพราะเห็นไม่เป็นเนี่ยน้อยที่สุดที่จะเป็นไปสูน่นรกจนมากก็เหนือเหนือไปแล้วไปเมืองบนเห็นคนขี่ช่างไปเมืองล่างเห็นช่างขี่คนเมืองบนคืออะไรคือมนุษย์เห็นมันสุขขี่ช่างเห็นมันทุกขี่ช่างแล้ว ไปเมืองล่างเห็นช่างขีคนก็เป็นผู้สุขก็ต่ำแล้วช่างขี่แล้วเป็นผู้ทุกข์หล่ช่างขี่แล้วช่างขีคนเป็นสุขตัวช่างมันเหยียบแล้วเป็นทุกข์หล่ช่างมันเหยียบแล้วจึงหัดตรงนี้ให้เป็นต้องไม่มันเป็นผลตนเอง มันจะยากตอนทวนกระแสที่แรกถ้ามาขึ้นแต่แล้วง่ายๆมันเราถีบจักรยานขึ้นโมมันจะทวนกระสสักหน่อยวันศุกเห็นวันศุกทวนนิดหน่อยวันทุกเห็นวันทุกทวนนิดหน่อยถ้ามาขึ้นแต่แล้วมันก็ง่ายมือนก็ลดขาลง เล้วอเราับขับจั ก, กรยานต็อใหม่ใหมนี่ก็ไม่ใช่เราพารถไปรถพาเราไปกาจะไปทางหนึ่งรถมันไปทางหนึ่ง <c oughs> ถ้าทําเป็นแล้วไม่รู้ว่าคนหรือรถไม่รู้จากตัวเองขับรถมันไปของมันเองเราจากไปไหนก็ไปมันอยู่กับเรา กิจที่ฝึกดีแล้วกระมาณนกันเป็นเช่นนั้นแล้วอยู่ตรงไหนเป็นสติของเราไม่เกี่ยวไม่ระวังไม่สํารวมเพราะมันเป็นแล้วเราจึงทวนกระเฉาช่นน่อยอีกแรกเหมือนว่าสิริธะอันต่จชลุเรื่องนี้เกิดขึ้น ฉันข้าหนังสุชดาสุชดาถวายเข้ามาทุกประยา่าหว่ำตั้งถาดเอาถาดไปเสียงในน้ำในรันชลาอาจจะได้ตัดทะลุของถาดนี่ไหลทวนกระแสเมื่อกดว่าถาดไหลทวนกรนะแสไม่น้ำคืออะไรเป็นปุกราธิฐาน ถ้าเป็นธบาทที่ฐานก็หมายถึงกิจนี่แหละจนต้องกิดเหมือนภาชนะทองรองรับพุทธพจน์รัฐธรรมประทเทศสลางต้องเป็นภาชนะทองรองรับไม่ซ่มเหมือนเราจะไปรับน้ำมันนะ่ะน้ำมันนี่ไม่มีอะไรที่ เก็บดับมันได้นอกฉากภาชนะทองแต่ถ้าบางคนมีหม้อกับเบื้องไปรับน้ํามันก็รับได้ถ้ารู้จักฉลาดทําอย่างไงเอาหม้อกับเบื้องไปรับน้ํามันน้ํามันจะไม่ซึมเอาทำวิ่ไหนน้ํามันจะไม่ซึมบ อ, อกหมดข้อม้อดีนะมันซึม มันชะลาก็หม้อดินไปแช่น้ำให้มันอิ่มก่อนพอเช่น้ำมันอีมแล้วไปใส่น้ำมันมันก็ไม่ซึมมันอิ่มตัวอยู่ในตัวของมันเองชีวิตของเราก็เช่นกันก็ไม่เป็นอะไรที่มันอิ่มแล้วไม่พองแล้วไม่มีอะไรที่จะเติมเข้าไปได้ ถ้าเรียกว่ามรรคผลในานคือเต็มมรรคผลในผนคือว่างถูกทั้งสองอย่างอันหนึ่งว่างอันหนึ่งเต็มถ้าเป็นมรรคผลในผนว่างก็ถูกเต็มก็ถูกเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยก็ไม่เป็นอะไรว่างไปด้วยอะไรว่างไปด้วยการเป็นอะไรทั้งหมดตอบได้สองลักษณะนี้สาวกลนี่สุด จึงว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวต น, นตัวตนที่จะเป็นสุขปุกข์ไม่มีมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการกายก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติที่มันโกรธมันโลภมันหลงมันสุขมันทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วครางชั่วคราวลูกว่าเป็นอาการมันร้อนมันหนาว ถ้ามันรอดมันเป็นหนาวมันเป็นปวดมันเป็นหิวมันเป็นมันก็ไม่ใช่ลูกทีที่มันเป็นอาการหนั้นดูอาการของลูกไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาการไม่มีค่าสุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่าจืดไปเลยไม่มีค่าแต่ก่อนสุขไม่ค่าทุกข์ไม่ค่าถ้าสุขก็เป็นสุขไม่ค่ามีทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่ค่า ทุกเป็นทุกขรืว่าค่าของความทุกสุขคือสุขค่าของความสุขผู้ที่เห็นไม่เป็นหรือว่าถ้าเป็นนิพพานก็เต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรถ้าเรา ว, ว่างก็ว่างจากความหมายแห่งความไปตัวตนอย่างนี้จึงฝึกตนสนตนอยู่เสมอ เวลาไดที่มันผิดสอนให้มันถูกให้มันรู้ถ้าสอนในเวลามันผิดไม่ได้สอนก็พลาดทีแล้วก็ผิดเป็นผิดไปสุกเป็นถูกไปก็พลาดอยู่ใจ น, นั่นไม่มีการเริ่มต้นก่อนจะลาดผิดรู้สึกตัวก้นหนาถูกรู้สึกตัวก้นมา ผิดข้างหนึ่งลูข้างหนึ่งผิดสองข้างรูสองข้างทุกข้างหนึ่งลูข้างหนึ่งทุกสองข้างรูสองข้างเรียว่ารูเท่ารูถัดกาสัมผัสลองรูมันจะเยคยชินได้ง่ายๆถ้าชัดทีแรกอาจจะยากสักหน่อยเรื่องควโกรธอาจจะอดทนเอา ไม่พูดในเวลาโกรธไม่ทำสิ่งใดๆในเวลาโกรธอดขนอดขั้นไว้ก่อนค่มไว้ก่อนดียว่าจะถังคข้าวมืดลุดพ้นกระคบไว้เหมือนศิลาทับย้าเอาหินไปทับไว้ก่อนยากขึ้นไม่ได้ถ้านานไปนอนไปข่มไว้ขงมไว้ก็หลุดพ้น ได้ว่าเวลาหินออกย่าขึ้นได้ได้ว่าสมร ฐ, ฐานโดดพ้นเหมือนกับหินชิลาทับยา่าตัวนี้ปัจ น, กกนากรรมฐานพ้นเหมือนกับถอนลกถอนโคนเห็นแจ้งความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องไม่มีใครเอาความหลงได้ นี่แต่เลือกกับความไม่หลงนี่เรียกว่าวิปัชนงางยานไม่มีคำถามหลงเป็นไงรู้เป็นไงไม่มีคำถามสัมผัสเดาทำเป็นเนี่ยาจากนี้อยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรกับอะไร แม้จะมีสุขไม่ทุกข์ก็เห็นมันสุขมันทุกข์ไม่เป็ี่ยนผู้สุขผู้ทุกข์เราก็ใช่ชีวิตแบบนี้นั่งปฏิบัติไปนานก็ปวดห้องปวดเดียวก็เห็นมันปวดไม่เปลียนผู้ปวดเห็นชีตัวภาวะที่เห็นก็แย่ก้าวขึ้นไม่เป็นอะไรกับอะไรง่ายๆมันม่นคงมั่นคงไม่หวั่นไหว เหมือนภูเขาศิลาแท้งทึบไม่จเจริญเพราะลมบันฑิตผู้พิกตนเดี๋ยวไม่หวั่นไหวเพราะเนินชาสันเสริญจุกทุกไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะเหมือนแก่ก็อย่างนี้วิจิตรกันดูเถอะพวกเราอย่าไปเชื่อใครงา่ายๆเราจะทำต้องช่วยตัวเอง ถ้าใครสอนให้เขามาพึ่งเราไม่ใช่สัจธรรมถ้าอัะไรสอนให้เขาพึ่งเขานะ่ะคือสัจธรรมคนหลงคนหลงเองก็ต้งอ ง, งเปลี่ยนความหลงเขาเองนี่สัจธรรมเป็นอย่างนี้พุทเจ้าก็ช่วยคนที่ช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยตัวเองพุทเจ้าก็ไปช่วยช่วยไม่ได้จะช่วยคนได้ช่วยตัวเอง เออจริงต้องอยู่กับหมูก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมูคนเดียวขุนหายสองคนพื้นลมตายสามคนกับบ้านได้อันนี้เป็นเป็นจริงคนลราหยางกันเช่นเราเจ็บเพื่อทีพ่วยก็อยู่คนเดียวก็ขุนหายไม่มีที่พึ่ง เคยป่วยเค ย, ยเคยเจ็บไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนต่อมาสามสิบปีมาแล้วอยู่ที่นี่ก็ดูซี่โครงหักตกกติระตีพาหักยังไม่ดีเลยมาพักที่นี่วันนั่นพูดเจ้าหน่อยได้ไหมนะ ฝนนั่นฝนตกพังๆก็ดูนี่แหละก็นอนอยู่ชะลาไก่ก็ดียังไม่มีนะสมัยนั้นมีชะลาไก่ก็อนอนอยู่ก็เสียงไก่มันร้องขอความช่วยเหลืออ๋อก็แล้วก็ฝนก็ตก ถ้าฟังเสียงล้เหมือนเสียงขอร้องช่วยด้วยหลวงตาช่วยด้วยมันก็นอไม่ด้ลุกไปจ้องไปฉายต้นต้นในโคต้ตนใกล้บันไดฉลาไก่มันเป็นตอต้อนในโคขึ้นหุ้มตอมเป็นโพรงหน่อยนึงที่ตอนะันในโคจะหุ้มไม่ทียไม่ท่วมมันมีมันมีมนม มีอยู่แค่น้อยนะไก่ไปไข่ที่รั่นพอดีกลางคืนงูไปเขี้ยวมันจะกินไข่แล้วส่องไปฉายไปเห็นงูเขี้ยวแม่ไก่ไก่ดิ้นออกมาได้งูก็จกใต้ อ, อกกินไข่เราไปไล่มันจะชูคอมาใส่เราไล่อย่างงก็มาหนีอันชูคอมา ไล่ก็ไม่มนีถ้มั่ไปเตะไปทำอะไรก็ไปหนีเราจะทำไงก็ เ, เลยขึ้นไปฉลาไก่ไปเอามีดมาไปตัดไม่ไผ่าปาดเป็นผาขลาเนี่ยนะฝันทางนี้ฝันทางนี้มันเป็นกล้ามเนี่ยงูโชกออกก็สลบต้องไปจ่า <c oughs> เด้งงูอ่าหัวมันมอยู่ในไฟกใช่ไหมก็ดึงมา <laughs> งูโต <laughs> งูโตมาก็เช็ดไปนอนแล้วก็แค่ไก่ก็ไม่หนีไปไหนก็คนล้องตาแค่ไก่บว่ า, า, า ง, งันแล้วเราก็ขึ้นไปนอนพอดีงูออกไปแล้วก็เดินขึ้น สลากไกเพราดีฝนตกมันชายคามันไหลลงมาไปถูกดินที่นั่นดินใหม่ฝนใหม่มันลื่นแล้วก็เลยสลากไปล่มลงมาทับกระดูกชี่โครงที่มันหักลูกไม่ขึ้นละบันอ่อนไหวลูกก็ลุกไม่ขึ้นแล้วฝนก็หยดลงมาใจหน้าเพียกแลูกก็ไม่ขึ้น จะเรียกใครมาช่วยก็ไม่มีใครอยู่คนเดียวสนุกทุกไหมไม่ทุกสนุกหัวล อ, อตัวเองหัวลอตัวเ <c oughs> อง อ, อ่าเลยทำไงเบียกก็เบียกนอนเจียกที่คนอยู่ฝนตก น, นอน <c oughs> ฝอนหายไหม <c oughs> อยู่คนเดียวมีว่างไหมแบบนี้มีไ้ย <c oughs> แล้วก็ทำไงเอาวิธี สำคัจะลุกขึ้นจัดเก็บมามันก็ลูกวไัได้เอาอย่างนี้ดีไหมกั้นลมหายใจ้องกั้นลมหายใจ แ, แน่นเลยลุกขึ้นอ hmm. นี่สูตรนี่ดีนะจําไว้นะเราหายใจให้มันแน่นท้องปอดมันแน่นมันเกิดชีโค้งมันไม่เบีอะไ ร, รมันกระดูกกระดิกไม่มันแน่นด้วยลม ลุกขึ้นมาก็ยนั่งขึ้นมาก็นั่งแล้วก็เอามือกอดเสาค่อยๆกั้นลงมาใหญ่ไปนขึ้นมาต้หอมท้องกั้นลงมาใหญ่ไปถึงที่นอนนอนเจียกขี้โคลนละวันนั้นจะอาบน้าก็ไม่ลาจะนุกไหมเช้านุกนอนกันหลับสบาตื่นขึ้นมาขี้โคลนแห้งหมดนี่ออยู่คนเดียวไปอย่างนี้ถ้ามีหลวงปู่ก็ ลองปู่โงมันอยู่ด้วยลุงกูมาช่วยด้วยใช่ไอาจารย์ปอช่วยกัอยู่คนเดียวนคนเดียวก็ไม่ดีนะสองคนก็ไม่ดีสามคนดีที่สุดเพรก็นั้นคนเดียวคนหายโบราณท่านว่าสองคนเพื่อนร่วมตายสามคนกับบันได้ถ้าคนหนึ่งเจ็บป่วยคนหนึง่งโต้อยู่ด้วยแต่ว่าจะไปเอาญาดไม่ได้ ถ้าจะทิ้งไปก็ใจขาดอ่แล้วต้องกอดอคอกันอายู่คนสองคนพืดลมตายทั้งสามคนคนหนึ่งไปพี่น้องมาเหมารถมาทางกลับบา้านได้า็น้นไปไหนโบราณถ้าคนเดียวขอนหายสองคนพด้นลมตายสามคนกลับบา้านได้ <c oughs> ถ้าไม่เก่งนะได้เก่งก็ไหวเถอะเออเจ้าเรียว่า มุตตะคนที่ไม่เก่งด้วยว่านิสัยมุตตะดังช่วยเตืงไม่เป็นต้องอต้องอยู่กับครูอาจารย์อ่าน้อยห้าปีเพื่อฝึกถ้ายังไม่ฝึกถึงห้าปีนี่ว่ามุตตะไปไหนไม่ไต้องอาบัตแต่เม่นไว้แต่ผู้ที่มีสติดีไปคนเดียวได้ไม่ถึงห้าปีก็ได้ ว่าฝึกกิจใจดีมันอันนี้ไปได้คนเดียวไปได้ถ้ายัางไม่เจีงอยาไปเดี๋ยวตายทิ้งใบเปล่าเป็นทุกข์เดือดร้อนต่อเจีงหราไม่เลยนะหัวเลาะขนตกไม่ทุกข์เลยนื่นนเราต้องฝึกตัวนี้ให้เกลี่ยข้าชีวิตเรานะจิบก็จิบคนเดียวนะตายก็ตายคนเดียว เราจะพึ่งใครเราต้องมองเอาไว้เนะ่เตรียมเลือกสกบเราคุกยอมสึกเหล่าลบเป็นนักลบกยอเยี่ยมที่สุดอืมงานนี่ก็เ้่านี่ยหาองกัน